เมื่อนี่เป็นฤกษ์สันวันดีเป็นวันพระขึ้นสิบหาคมแต่ทุกปีเมื่อนี่เป็นวันมาฆะบูชาแต่ว่าปีนี้แปดสองหนก็เลยเป็นขยับไปอีกเดือนหนาเดือนหนาจึงเป็นวันมาฆะบูชาถ้ามันทุกปีก็นี่แหละเมื่อเนี่แหละเป็นวันมาฆะแต่นี่เป็นปีนี้เป็นแปดสองหนก็ได้เลื่อนไปเป็นเดือนหนาเป็นวันมาฆะ อันนี้ก็คือมือสันวันดีมือหนึ่งวันออกไปมือสันวันดีที่สองฝนเม่เคยตกเลยปีหนี่ อ, อบวชนากวอนไปหนักขึ้นไปเล็ยนนักและฝนตกวอนไปเมื่อนี่จะบวชนากได้หมดเลยเพราะจะบวชนากบวช้าได้ฝนตกและคือเมื่อนี่จะมีบวชสามองค์บวชนากสาม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 บวดเข้าไปแล้วทำตัวพอดีทำตัวมีปัญหาผู้รับผิด ช, ชอบตีไม่ไรเื่อรับหนากรับร่องหนักเลยเต้องเป็นผู้รับผิด ช, ชอบเลย เ, เพราะนั้นขั้นบนเสื้หนักเกยวของอยู่ยไปหารับผิด ช, ชอบไปเลยเลยงีนบวชประตูไม่ตา <laughs> ขันโหลานกั้นลกูกหลานไปหากินยาบ้ายา마เยอะ ยังไปรับร่องมาหาเส้นสัญญาสเส้นรับร่องเนี่ยติดคุกเด็กน่นี่ว่เอาผูเส้นรับร่องเด็กนี่นี่หว่ายุคสมัยดีอย่เฮ็ดยังได้มันก็ บ, บอกขัดคนไปอย่งหลวงพ่อเคยเบอกจย่างมือวานดมือกรใส่ผ้าอยู่ใส่ไปหาปน่นโยมจังสันมันก็มีเลยมาใานพวกเข้าผมผ้ากันมาประนามพระบปะี่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 พ่อมาบวัวเราปนามป่ะเนี่ยปนามสถาบันพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพันสอ น, อนเป็นคนเป็นคนดีเลยให้มีศีลธรรมเลยหมดตัวหนึ่งพันโบใหุ้ขาดเลยปาหน้าอาทิตหน้ากาเมมุสามเป็นสิ่งที่โชคปกเป็นสิ่งที่บอดีเนาะแต่พ่เของมาแหละมันโบเหตุตามเทระบาเลยมันเอานิสัยเกา่าสันดานเก่านะมาสื่อเปลงลิงนุ่มบ่ายเนี่คนที่สัวซวพาที่สัวซวทั้งหลายแหล่ให้เข้าสื่อประวัติเบิงเป็นมาสจะใส่เป็นม า, าสตะพุ่น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 อย่างลงพอบ่อเมร์บ่บาดเนี้เอาไปคิดปรงรสบาดนี่ยตามไม่จริงทังที่ดีนี่เออลูกของเฮ้าพนีถึงใช้จงได้กับว่าเป็นที่คนสีสซัวซาละโมกต่อเป็นคนดีอยู่ถึงจับหวดีเลิศกันในขันดีบ่ถึงกับเลียวบ่ถึงกับเดือดร้อนพี่นองพอแมรถึงจังไดก็เป็นคนดีในสกุลของเฮ้ามูของเฮ้าคือบ้านคือเมืองเพนอันนั้นกัดีหรือดีกว่านั้นเออลูกของเฮ้าพกนี้ล้านของเฮ้าพนี้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 จะตั้งเขามาสออาจารย์มออไปขีดตัวอาจารย์ยิจช า, าหิงสามันออกไปผัวในสุดอาจารย์ก็เลยว่างแผนขาดุสิตธนบัตรเนี่ยอบอกว่าจะให้วิชาอันดับหนึ่งเลยเขาว่าเอานิวมือคนมาให้อาจารย์เป็นคาไข้มันออไปอตั้งไข่หนิวมือพันหนึ่งมันอไปที่แรกสิงษากับบมินิสสิงสาเน่ยเพิ่นก็บบอมอลขึ้นกันเน เปิก็ะเาผู้นีุ้ดอาจารย์ขยันขยอบว่าอาจารย์ที่ขาดูกสิทธ์อยู่ด้วผู้หนึ่งเกตนาดีผู้นึ่งโเจตนาดีไม่เป็นสันผู้นีุดอายัรย์ขยอลูกที่เกยตน่าดีเป็นวว่าอาจารย์สิยหอยหลืเอ้าอาจารย์สีหายหผมก็สู้เราสันคันว่าอาจารย์ว่ามันดีผู้นีุ้ดเขเลยขาดคนตั้งแต่มือแรกแล้วไปไปขอดีมือเขาเขาสิหายที่ไหเผมขอดีมือเดเขาเ่เพื่อเป็นค่ายอาจารย์ไส้เสียห้มันบมดละ โบ้ไฮมันก็ดาบตัดข้อตัวกัตัดข้อก็ตัดเอานิ้วมือตัดข้อตัดเอานิ้วมืออช่โอมันบมเมก่ารอยเก่าซีบเก่าเหนียวเด๊ะตามไม่จริงพ่อตัดแล้วไกเนบไปตดใหม่เอาไปเน็บเอาไว้ภูมิใหม่ไว้เอาไปเน็บเชิงาใหม่ไว้เอาไปฟังดินไว้หมดไปเออเมื่จักนกจักกามันก็เอาไปกินละไปเขามาหามันลงหลงหาหลงมองไว้เนี่ยมลืมมองไว้หมดไปองคอนี้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 อโจรมีดิวมือในข้อกันออกไปผุนน่ะตึงเก่ารอยเก่าชุบเก่าเหนิยวอยู่ในข้อยังขาดอยู่นิยวหนึ่งอ่ะขันผู้ไรมากขามัดกันออกไปมันเลือดเข่าตาเลยเดขันแมวมากที่ข่าแมววันออกไปบวไหวไผทั้งมัดวันออกไปให้ได้์มันครบพันวันไปพุ่นน่ะเออแสดงว่าจิตใจองค์ุลิมานโจรเป็นจิตใจที่แน่วแน่ที่สุดเลยวันออกไปหาคนแต่งซันในอยากแต่บัดนี้พอผู้ใดเจ้าเห็นว่าโอ้องค์ุลิมานเนี่ย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 อย่งพวกได้บอกก e> ็บอน้ำเขาด่ากะด่าน้ำเขาด่าศาสนาเนี่ยเดี๋ยวบาปบาปบาปมาตกมหาเจ้าของเลยนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดขยายวุ่หรือเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าเอาไปคิดตรงนู้นตีหลวงพ่อเบาหี่อยมันแมนบอกแต่นานๆพวกเข้าจะได้ยินไอ้พวกเข้าบางท่านบางคนเป็นพ่อตูมไม่ตาก็บพเคยได้ยินจักเถื่อพระบอกแบบนี้เอาไปออาจจะได้ยินมือหนีก็ได้เอาลงไปหลวงพ่อเนี่ยบอกแปลกแปลกแตกต่างมูอยู่เด้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 ก็ในหลังกายของเขานี่แหละอ่โอ้ยนี่มือมันงอโอ้ยนี่มือมันงอบ้านใดเราตัดทิมซ้ํากับบแมนอีกคนอนึ่งไปเอี่มันงอกับมันงออยู่หันหละเหตุทีงไหนมันอยู่ของเขาก่านเอาไปอ่แต่ก็อย่าให้มันใส่งานอย่าให้มันใส่ความจําเป็นมากกว่านเอาไปเนยอย่าให้มันออกแขกหลายกว่านเอาไปเนี่ยมือมันงอเอาไปก็สซีดลงลบที่เลี่ยงมันไว้เดาเอาไปเอ่ลักษณะอีกท่านอันนี้คือกันกับขนซัวขึ้นกันนะเออพระซัวขึ้นกันขนซัวขึ้นกันอันนี้เขาก็ต้องเบิง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 มีร่างกาย2 อ, อย่างคือลูกประทับกับ น, นามธนถ้ำลูกประทับเนี่คือร่างกายหน้า ม, มาันถ้ำหคือจิตใจอาศัยกันอยูเอ่เมื่อตายไปแล้วร่างกายก็แตกอีกว่ะไปลูกประทับเนี่แตกอีกแต่ห น, านา้ามันถ้ำนึ่ออกจากร่างไปอีกไปปฏิสนธิใหม่อีกสรุปแล้วตายแล้วบ่อศูนย์ว่ะไปศูนย์คือร่างกายจิตใจบ่อศูนย์บาปปุลคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงว่ะไปตายแล้วบ่อศูนย์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 S <S <an> ไปแล้วบัญชีของเพล่นนะพลอยเฮ็ดอย่างพลอยเฮ็ดอย่างคือกันกับจดเส่คอมพิวเตอร์ขนาดนั้นเป็นอย่างเขาจดอะไมันหลายปนอยบตองบ่อแล้คอมพิวเตอร์ของพยาของบานแห้งละเอียดพอลงไปขั้นพลอยทาความซัวจดเซ่นังม้าเนาไปโหลดความวาวาโหลดลงไปนังม้าเนลงไปขั้นพลอยทาความดีจดเส่แผ่นท่องแผ่นท่องข้าโหลดเจดจดด้โหลดลไปบัดห้าไปหอดบัห้าตายไล เจ้าทากำกรรมดีกรรมชั่วอย่างซีแมดบอนะ่ยปฏิเสธว่ไใดเด้เพราะเครื่องขอมพิวเตอร์เขาบอกไว้ทุกเวลาหน้าที่เลยเด้ mm. เ, เ, เนีเขาก็ลากข้อไปนรกว่เป็นเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานใส่นี่กรรมไปละบาทขัน่าวาปุระทำบุญกันนั่นแหะส่งไปสู่สุกติโลกสวรรค์ไปพ้มไป เ, เป็นชันช้นชั้นต้นตอนไปละบาทนีเ่เพราะนั้นคนเท่าเกิดมากยังบกขึ้นกันเป็นหมดละขันทาาเลือกเกิ ด, ดกใดกว่า อ, อ, อันนี้มันเกิดเลือกเกิดบ่าใดเด้ เพราะใหุ้ด้พราะกรรมพามาเกิดวันนั้นพวกข้าให้สั่งกรรมดีไวนะ้เนอะยปมาณให้เสือพระพุทธเจ้าเสือกูบาอาจารย์ไว้ให้ทำบุญทำท่านไว้รักษาศีลภาวนา ไ, ไว้ไหวพระสวดมนต์ล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลทั้งมดละเมือเ่อไหนก็ะได้มาบวชพระวาาัน น, ะนั้นให้พอมพระกันทํามือความตังอ ก, กตังใจท้ามือความเต็มใจ บ, บุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมี นั่นๆพวกเข้าไดมาไดมาสางบุญสางกุศลเดบวตพระไวเน่พระพุทธศาสนาพระที่ห้องมาบวชไหวเนี่เพิ่นทังอกตังใจรักษาศีลภาวนาเพิ่นมัดกิเลสต่อไปเป็นพระละหันโอยบุญกุศลของข้าพวพระพันถเหล็กรางวัลที่หนึ่งเปรเรางวัลที่ึงประเทศไทยด้วยเรื่องวัลที่หนึ่งปุนอะอังกฤษอเมริกาเป็นลอยลอยล้านไป<ม>ล่วยเลยเราลไปการ่เาเพิ่นตังใจภาวนานะ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 เพราะว่าพวกเข้าบ้าบัวเลยขีข่ข้านขี่ข้านแล้วเวนี่ย้ลทําตัวเป็นคนชัวพระสัวอีกว่าเนี่ยพวกปานฮ่องซงลูกหลานไปเมืองแขกไปทํางานน่ะนะหน้าทั้งพี่กระถูกยุดทั้งพุนกรติสโคกพุอนออกไปว่เป็นผลดีสําหรับพวกเข้าวันหนึพวกเข้าให้เสือ้อนพระพุทธเจ้าเสื้อนี่กูบาอาจารย์เนอะลงปูลงตาพอแม่กูบาอาจารย์เข้าลงปูมป ห, ป ห, หมันเปิลพาวนาเปิลเห็ดมดละนโลกสวรรค์มีจริงเนอลูกหลานเนี่ยตายแล้วพอศูนย์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 นั่นแหละทำบุญทำทานเอาไว้เพื่อได้กินพบน้ายชาติหนา้าตัวว่านะมันอีลงคอเบาเงีวเพราะเป็นวันถุภักขู่คุบานุคุบานอย่ยังขอไปแห้งนะมั้เอาลับพ่อ้ฉบับนี้เนาะ